เป็นเรื่องเป็นราวผูด้ดำเนินรายการวัชรินทร์พันธชาทางวิทยุราชมงคลธัญบุรี FM 8ป5 MHz เมคุณกำลังฟังเป็นเรื่องเป็นราวช่วงอยากเล่า สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะนี่เป็นครั้งแรกที่เราได้มาพบกันบนคลื่น 89.5 นะคะดิฉันวัชรินคณาชารับหน้าที่ที่จะสรรหาเรื่องราวดีๆมาเล่าให้ฟังนะคะเล่านิดนึงว่าที่มาที่ไปของช่วงเวลาเป็นเรื่องเป็นราวที่หยิบมาเป็นประเด็นที่จะพูดคุยกันนั้นมันเป็นโจทย์ที่จะว่ายากก็ยากไหมไม่ยากนะคะแต่ว่าการที่จะหาเรื่องราวที่จะมาเล่าสู่กันฟังในเย็นวันอาทิตย์ ส่วนตัวแล้วคิดว่าอยากจะมีช่วงเวลาดีๆที่เราเองนั้นได้ได้ยินได้ฟังเรื่องดีๆเพื่อที่จะเริ่มต้นสัปดาห์ด้วยกาลังด้วยกำลังใจด้วยพลังที่เป็นพลังบวกนะคะก็อยากจะใช้ช่วงเวลาเนี้ยหยิบเอาเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศมาเล่าสู่กันฟังโดยดิฉันวัชรินจะทาหน้าที่ตั้งแต่เวลา18ดนาิกานาทีไปจนถึงเวลา19นากาโดยประมาณนะคะ เดือนนี้เป็นเดือนแรกแล้วก็เป็นวันแรกเป็นครั้งแรกที่ทำนะคะก็อยากจะหยิบเรื่องราวช่วงแรกคือช่วงอยากเล่าเนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในบ้านเราแล้วก็เป็นเรื่องที่สามารถที่จะเก็บไปเป็นแรงบันดาลใจหรือเห็นมุมมองเห็นความคิดที่อยากจะไปทำบ้างนะคะสำหรับในเรื่องที่หยิบมาเล่าในวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่สินค้าของเราในบ้านเราเนี่ย ตอนนี้คุณผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินเกี่ยวกับเรื่องของชุมชนท่องเที่ย o top, วโอท็ อ, ช, อชีวะวิถีไหมคะตรงนี้มันเป็นการเจอกันระหว่างชุมชนที่มีวัฒนธรรมศิละป ะ, ะชุมชนที่มีผลิตภัณฑ์แล้วมาพบกับในเรื่องของการตลาดอันนั้นเป็นเรื่องลึกไปเดี๋ยวจะค่อยๆเล่าให้ฟังก็คือทำยังไงก็ได้ให้วิถีชีวิตของเราเนี่ยสามารถที่จะขายได้ ส่วนหนึ่งที่มากับวิถีชีวิตของเรานั่นก็คือเรื่องของผ้าทอวันนี้จะหยิบเรื่องเล่าของแบรนด์จากแดนไกลนะคะซึ่งงานนี้ได้เกิดขึ้นเมื่อสักประมาณพฤษภาคมแต่อ่านแล้วได้มุมมองที่อยากจะให้เกิดเรื่องแบบนี้กับหลายๆชุมชนที่อยากจะเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าตัวเองหรือใช้แรงบันดาลใจในการที่จะสร้างสารรค์สิ่งดีให้กับชุมชนตัวเองนะคะเป็นโครงการที่ ประทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเนี่ยได้ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยศรินรัวิโรจนะคะแล้วก็แบรนด์ของคุณวิชรวิทย์นะคะคือคุณวิชรวิทย์เนี่ยเขาเป็นดีไซเนอร์เขาจัดคอลเลกชันผ้าไทยนะคะร่วมสมัยโดยชื่อคอลเลกชันว่าจากแดนไกลซึ่งทั้งคอลเลกชันเนี่ยจะมีผ้าไทยไม่ว่าจะเป็นผ้าเขามา้าผ้าทอมือผ้ามัดย้อมนะคะ เอามาใส่ดีไซน์ที่เป็นแนวที่เป็นสากลเรียกว่าเดินบนพรมแดงได้เลยนะคะในคอลเลกชันนี้เนี่ยจะมีทั้งหมด49ชุดโดยคุณวิชรวิทย์เนี่ยคุณวิชรวิทย์อัครสันติสุขนะคะเป็นดีไซเนอร์แล้วเขาเป็นเจ้าของแบรนด์ด้วยทำงานร่วมกับ7ชุมชนผ้าทอไทยนะคะมาต่อยอดเอาผืนผ้าทอเนี่ยมาทำเป็นแบรนด์นะคะโดยคุณ วิศรวิทย์เนี่ยเลือกผ้าทอไทย7ชนิดเนี่ยจาก7็ชุมชนทอผ้าทั่วประเทศไทยแล้วก็แต่ละชุมชนก็จะมีเอกลักษณ์มีภูมิปัญญามีความแข็งแรงในแต่ละเรื่องที่แตกต่างกันนะคะโดยเขาให้ความคิดเห็นว่าเอกลักษณ์ของชุมชนเจ็ดผ้าทอเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ที่สามารถนํามาต่อยอดได้มาทําแบรนด์ได้นะคะโดยชุมชนแรกก็คือเป็นเอกลักษณ์ของคอทตอนฟาร์มเป็นผ้าฝ้ายทอมือซึ่งมีลักษณะพิเศษตรงที่ว่าเส้นใยผ้าของเขาเนี่ย มีเส้นบางเหมาะกับการสวมใส่ในอากาศร้อนชื้นแบบบ้านเรานะคะถ้ามองแรกๆเนี่ยก็เหมือนกับผ้าม้วนโรงงานเลยแต่ว่าพอเอางานจับงานเส้นใหญ่งานเทคทายแล้วเนี่ยรู้สึกว่าผ้าเนี้ยเป็นผ้าที่สามารถนําไปต่อยอดได้แล้วก็กลุ่มผ้าทอโรงงานทอผ้าอิมปานิซึ่งเป็นผ้าเขาม้าของราชบุรีนะคะโดยหยิบจับเอางานผ้าเขาม้าเนี่ยที่เป็นผืนพืนที่รุ่นคุณตา คุณปู่คุณพ่อของเราที่จะเอามาเคียนเอวมาคาดเอวมาพาดบ่าใช้ได้เป็นสารพัดประโยชน์เลยไม่ว่าจะเป็นผ้าเป็นแทนเป็นสโลงเวลาจะอาบน้ําหรือผ้าเช็ดตัวเวลาอาบน้ําเสร็จอย่างเงี้ยนะคะแต่วันนี้ได้ถูกเปลี่ยนใหม่โดยเอกลักษณ์ของโรงงานทอผ้าขมาที่ราชบุรีเนี่ยเขาสามารถที่จะเอาผ้าทอไม่ใช่เป็นผ้าขมา้าลายขาวดําธรรมดาหรือเฉดคู่สีที่เราคุ้นตา แดงขาวธรรมดาแต่เขาสามารถจะทอแบบเปลี่ยนคู่สีใหม่เรียกว่าเอามาทำแล้วมันโมเดิร์นขึ้นมันน่าสนใจขึ้นนะคะแล้วก็จะมีสีโทนอ่อนเช่นมีสีโทนอ่อนสีขาวบนขาวหรือโทนสีน้ำเงินที่สามารถเอาไปใส่ลูกเล่นเป็นดีไซน์เสื้อผ้าได้นะคะหรือกลุ่มไม้แต้มหมีของจังหวัดขอนแก่นนะคะเป็นกลุ่มสตรีทอผ้า มีบ้านหัวฝายที่อำเภอชนบทนะคะตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีเขาเรียกว่ามีภูมิปัญญาในการที่จะย้อมสีแต่ละสีเนี่ยได้ที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองเพราะว่าที่บ้านหัวฝายเนี่ยเขาทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นเขาทำงานร่วมกัน ไยไหมแต้มมีเนี่ยเป็นการลดกระบวนการการย้อมสีให้มันง่ายขึ้นได้ไวขึ้นแล้วได้สีธรรมชาติเป็นกรรมวิธีที่เกิดรวดลายใหม่นะคะแล้วก็สามารถนำมาใส่ดีไซน์แล้วเนี่ยมันทำให้เกิดความสวยงามนะคะแล้วก็มีโรงงานทอผ้าจุธาทิพย์ที่ขอนแก่นด้วยก็จะเป็นผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาตินะคะส่วนที่สุรินก็จะเป็นเรื่องของเรือน ไหมใบหมอนนะคะจะเป็นความรู้ในเรื่องของการทำผ้าไหมจนเกิดเป็นผ้ายีนผ้าไหมจนเกิดเป็นผ้ายีนหมายความว่าเป็นผ้าไหมที่มองดูแล้วเนี่ยเหมือนยีนสนะคะโดยเป็นเทคโนโลยีการทอผ้าที่ได้สีที่ไม่เพี้ยนไปจากยีนรู้สึกว่าใส่แล้วได้อารมณ์คูแบบว่าเหมือนใส่ยีนนะคะแต่เนื้อผ้านั้นบางเบาแล้วก็สบายนะคะส่วนองความรู้อีก โ ร, โรงงานทอผ้าหนึ่งนะคะที่ปัตตานีนะคะเป็นโรงงานทอผ้าบาติกเดนาราซึ่งปัตตานีเนี่ยดงังทางส่วนด้านขวานของบ้านเราเนี่ยเขาจะโดดเด่นในเรื่องของผ้าบาติกผ้าบาติกนี่ยอมรับวว่ามันสีสัน Color อร์ฟมากนะคะแต่ความความยากของผ้าผ้าบาติกเนี่ยก็คือการการเลือกจุ่มเลือกมัดย้อมเลือกที่จะใช้เวลากําหนดเวลา ให้มันได้พอดิบพอดีให้ได้ลายที่สวยงามและที่สาคัญพอเกิดเป็นลายแล้วเนี่ยความเสียดายในเนื้อผ้าคือจะตัดผ้าออกได้น้อยมากนะคะเพราะว่าเขาเสียดายผ้าตรงนี้เนี่ยทำยังไงที่จะทำให้ผ้าบาติกของเขาเนี่ยได้โชว์ความเป็นบาติกที่เป็นเนื้อบางมีความพลิ้วนะคะตรงนี้เนี่ยคุณวิชรวิทย์ก็ใช้แนวการออกแบบผสมผสานจนเกิดเป็นคอลเลกชันจากแดนไกลที่มีอ่ งานทั้งหมด49ชุดโดยโครงการนี้เนี่ยมีวัตถุประสงค์นะคะที่กระทรวงวัฒนธรรมได้ร่วมกันจัดขึ้นเนี่ยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะพัฒนาแหล่งเรียนรู้แล้วก็ชุมชนทางวัฒนธรรมเป็นการเพิ่มศักยภาพในเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะรวมไปถึงส่งเสริมศิลปินพื้นบ้านแล้วก็เครือข่ายให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องของการทอผ้าไทยแล้วก็จะมีการเผยแพร่องความรู้เหล่านี้ไปถึงชุมชนด้วย มีโอกาสว่าช่วงเดือนที่ผ่านมาดิฉันได้ได้ไปเดินงานโอท็อปมิดเยนะคะที่อ m p a c t Challenger ์สามฮอเนี่ยประสบการณ์ที่อยู่กับโอทอปเห็นโอท็อปปีได้มั้งโอทอปบ้านเราที่ได้มีการคัดสรรผลิตภัณฑ์ชุมชนและมีการพัฒนาสมัยก่อนปีแรกๆเนี่ยในการคัดสรรโอทอปเนี่ยก็จะมีกระปิน้ำปลาเอ่อ ขนมโมแกงนะคะที่เป็นสินค้าชุมชนเนี่ยมาร่วมคัดสรรเหล่านี้ชาวบ้านเขายังไม่รู้หรอกว่าสินค้าของเขาเนี่ยจะได้รับการคัดสรรไหมเพราะว่าเขาก็ทำขนมโมแกงข้าวหลามเนี่ยมาตลอดชีวิตแล้วแบบไหนล่ะถึงจะบอกว่าอันนี้เป็นกี่ดาว2ดาว3ามดาว4ี่ดาวหรือจนถึง5้าดาวแต่องค์ความรู้เหล่านี้ได้ถูกส่งต่อและพัฒนาโดยการทํางานหนัก ต้องบอกว่าเป็นการทำงานหนักของกรมพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยนะคะที่ลงเข้าไปในพื้นที่ให้ความรู้ในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใช้นวัตกรรมเข้าไปช่วยงานออกแบบบรรจุภันฑ์จนวันนี้18ปีถ้าบอกว่าเป็นอายุของคนก็เป็นสาวสะพรั่งถ้าเป็นหนุ่มก็เป็นหนุ่มรุ่นกระทงที่กำลังแข็งแรงนะคะ หมายความว่าวันนี้มีแบรนด์โอท็อปบ้านเราที่แข็งแรงแล้วก็เป็นที่ต้องการในตลาดหลายๆตลาดนะคะถ้าถามว่าในภูมิภาคอาเซียนเองแล้วเนี่ยประเทศเพื่อนบ้านหรือกลุ่มประเทศอาเซียนเนี่ยเขาชอบสินค้าบ้านเราไหมบอกได้เลยว่าใช่ค่ะใช่เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นคุณภาพการผลิตโรงงานการผลิตม า, มาตรฐานการผลิตหรือรวมถึงฟังก์ชันต่างๆเนี่ยมันตอบโจทย์ เขามั่นใจได้ว่าของกินเราก็ทำของกินส่งออกยุโรปนะส่งออกญี่ปุ่นนะซึ่งสองประเทศนี้เป็นสองประเทศที่แอกว่าแข็งแรงมากในเรื่องของมาตรฐานการผลิตการส่งออกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นเรื่องดีๆที่หยิบมาฝากนะคะว่าตัวคุณเองแม้ว่าอาจจะเป็นเหมือนกับฟันเฟืองเล็กๆอยู่ในสังคมอาจจะดูเหมือนกับยากในการที่จะก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆแต่เชื่อเถอะว่า เพชร1เม็ดนั้นมันใช้เวลาพอสมควรกว่ามันจะเป็นเพชรได้มันมาจากคาร์บอนนะคะเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาในช่วงของอยากรู้เรื่องราวต่างประเทศดีๆรอคุณผู้ฟังอยู่ค่ะ t ร n งใจใหกันรั a n ือคใจคอยอมอภ i ยทยา ให้เป็นภาษาทางใจให้ไหว้เพื่อช่นำทางกู้ใจของเรารักคืเธอและฉันรักคือความผูกพันยิ่งใหญ่จากใจของเรา จะไปทุกที่ไม่มีทิ้งกันรักคือเธอหลกฉันรักคือความผูกพันยิ่งใหญ่จากใจของเรา กำลังฟังเป็นเรื่องเป็นราวช่วงอยากรู้กลับเข้าสู่ช่วงอยากรู้นะคะช่วงนี้เป็นช่วงเรื่องเล่าดีๆจากทั่วทุกมุมโลกนะคะจะเป็นเรื่องเล่าในมุมแก๊กแก๊กหนึ่งที่อาจจะฟังดูแล้วอแบบนี้ก็มีด้วยมันเป็นเรื่องดีๆที่เออน่าจะไปเล่าต่อหรืออาจจะสร้างแรงบันดาลใจในบางอย่างในชีวิตของเรานะคะเรื่องเล่าวันนี้เป็นเรื่องที่ หลายคน อ, อาจจะโอ้โหดูข่าวไร้ายๆมากมายเนาะมะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุณหภูมิโลกที่เพิ่มสูงขึ้นน้ำแข็งที่ขั้วโลกเหนือละลายเพิ่มขึ้นความแปรปรวนของสภาพอากาศที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งก็มาจากน้ำมือเรานี่แหละแต่ว่าน้ำมือเรานี่แหละเนี่ยมันดูฟังดูแล้วมันมีความท้อแท้ใจอยู่ลึกๆว่าเอ้ยแล้วเราคนเดียวมันจะไปเริ่มยังไงที่จะทาให เราอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขบนโลกใบนี้นะคะมีเรื่องเล่าดีๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องของพวกนักนักคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ใ, ในการที่จะอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ให้ดูแลสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกันนะคะเป็นงานวิจัยที่เม็กซิโกนะคะที่เขาเองนั้นผลิตพลาสติกที่ย่อยสลายได้จากระบองเพชร นะคะอันนี้ขอบคุณข่าวจาก BBC ไทยนะคะโดยในคนนี้เขาชื่อว่านายซานราปาสโกเอออร์ติสนะคะเขาค้นพบวิธีเปลี่ยนใบกระบองเพชรเนี่ยให้กลายเป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติคล้ายกับพลาสติกนะคะวัสดุนี้เนี่ยปลอดสารพิษแล้วก็ย่อยสลายได้ด้วยกระบองเพชรนี่ถ้าเกิดดูจากสารคดีนี่เราจะรู้ว่ากระบองเพชรนี่มันมันทำเตกิล่านะมันทำเป็นแอลกอฮอล์ชนิดแรงชนิดหนึ่งเลยเตกีล่า ไม่ไม่แน่ใจว่าท่านใดที่เคยทดลองเตกิล่าแล้วอาจจะหน้าร้อนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะหมายถึงไปหน้าเราเนี่ยร้อนนะ <c oughs> <c oughs> เรายังไม่รู้รอีกว่าไอกระบองเพชรเนี่ยมันสามารถเอามาทำพลาสติกได้ <c oughs> เขาทำยังไงในซันด้านเนี่ยมันย่อยสลายได้แล้วเนี่ยมันยังมี ทำเป็นหลายซีสารด้วยนะคะเธอหวังว่าเนี่ยไองานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยไม่ใช่นายด้วยนะคะคุณซันราสิ่งที่เธอคิดเนี่ยจะทําไปใช้แทนพลา ส, สติกได้ในครั้งเดียวเราทิ้งนะคะเป็นพลา ส, สติกที่ใช้เหมือนบ้านเราที่ทำํำวัสดุจากชานอ้อยไหมตัวนี้วัสดุจากชานอ้อยบ้านเราทําได้มารวมๆแล้วปุน่าจะประมาณสิบปีนะชานอ้อยเนี่ยซึ่งก่อนหน้านี้นี่ ดิันได้มีโอกาสไปทําข่าวเกี่ยวกับวัสดุชานอ้อยในต่างประเทศเขาก็ซื้ อ, เ, อเทคโนโลยีนี้เข้าไปแล้วก็ไปผลิตในในอังกฤษมั้งรู้สึกว่าจะจะซื้อเทคโนโลยีนี้ของเราไปขายในอังกฤษนะคะแต่วันนี้กระบองเพชรก็เอามาทําได้นะคะโดยเธอเนี่ยได้ผลิตพลาสติกชนิดนี้ความคิดของเธอก็คือต้องการผลิตพลาสติกที่มาจากธรรมชาติแล้วก็มาแทนพลาสติกจริงๆนะคะโดยอยากจะ ใช้แบบครั้งเดียวทิ้งเป็นพวกช้อนซ่อมแล้วถุงวัสดุนี้จะใช้เวลาในการย่อยสลายประมาณหนึ่งเดือนหลังจากที่ถูกฝังดินแล้วถ้าอยู่ในน้ำสองสมวันเท่า น, นั้นเองนะคะนั่นแสดงว่าน้ําเป็นตัวย่อยสลายได้ดีทีเดียวทั้งคนและสัตว์ยังกินมันได้ด้วยนะคะอ๋อนั่นหมายความว่าถ้า <c oughs> กินกินกินอันนี้ถ้าเกิดเป็นแพคเกจจิ่งก็คือสามารถกินแพคเกจจิ่งได้ด้วยนะคะว่าถ้าวัาพสพลาสติกชนิดนี้เนี่ยไหลลงทะเลก็ หรือสัตว์ทะเลอื่นๆอาจจะกินมันได้เหมือนกับตอนที่ตอนนี้นักอนุรักษ์ทั่วโลกเนี่ยเป็นห่วงในเรื่องของปลาวานนะคะสัตว์ทะเลเต่าทะเลกินพลาสติกเธอก็คิดไปถึงตรงนั้นด้วยว่าถ้าพลาสติกตรงเนี้ลงไปที่ทะเลแล้วเนี่ยปลาหรือสัตว์ทะเลอื่นๆก็สามารถที่จะกินได้ด้วยนะคะเธอทําพลาสติกนี้ยังไงอย่างแรกเลยคือตัดใบกระบองเพชทแล้วก็เปลือกของมันออก นำไปคั้นเอาน้ําแล้วแช่ไว้ในตู้เย็นค่ะจากนั้นก็เติมสารที่ไม่มีพิษลงไปตามสูตรของเธอแล้วทํามาแล้วนํามาทําเป็นแผ่นบางๆทิ้งไว้จนแห้งนะคะการทําเป็นแผ่นเนี่ยจะใช้ใบกระบองเพชรประมาณ3าใบต้นกระบองเพชรก็จะยังคงอยู่แล้วก็ยังงอกใหม่ได้อีกนี่เธอเป็นห่วงนักอนุรักษ์นะคะว่าเอ้ยแล้วถ้าเกิดตัดมาทางต้นเนี่ยแล้วกระบองเพชรละ่ะไม่ใช่ค่ะเธอใช้แต่ใบนะคะกระบวนการนี้เนี่ยที่ทำให้กระบองเพชรมาเป็นแผ่นเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ10วัน นะคะแล้วก็ถ้าเกิดไปผลิตในกระบวนการอุตสาหกรรมเธอบอกว่ามันน่าจะทําให้ได้เร็วกว่านี้อันนี้คืออยู่ในขั้นทดลองนะคะที่เม็กซิโกเนี่ยมีต้นกระบองเพชรประมาณ300สายพันธุ์แล้วก็กําลังเธอเองเนี่ยก็กําลังวิจัยว่าจะมีสายพันธุ์ไหนที่มีคุณสมบัติที่ดีแล้วก็นํามาใช้ในในเชิงอุตสาหกรรมได้บ้างนะคะก็ไม่รู้ว่าแคคตัสที่บ้านจะใช้แทนได้ไหมนะคะ แฮกตัตไม่มีใบหรือมีใบาฝากกันมาได้นะคะอีกเรื่องนึงนะคะเป็นเรื่องของนักอนุรักษ์เหมือนกันเป็นเรื่องของการทําพลาสติกเหมือนกันนั่นหมายความว่าประเด็นในเรื่องของโลกร้อนในประเด็นในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเนี่ยกำลังเป็นประเด็นที่ทั่วโลกจับตามองนะคะอันนี้เป็นการทําพลาสติกจากเปลือกของล็อบสเตอร์นะคะเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่พลาสติกจะล้นโลกนะคะโดยเปลือกของล็อบสเตอร์ ลอฟเตอร์นี้นะคะเป็นเรื่องที่ทั่วโลกกำลังให้ความสนใจอยู่โดยบริษัทสตาร์ทอัพแห่งหนึ่งในกรุงนอนดอนเนี่ยได้คิดค้นการแก้ปัญหานี้โดยการใช้เปลือกของสัตว์น้ำเปลือกแข็งมาผลิตถุงพลาสติกชีวภาพที่ย่อยสลายในธรรมชาติที่เรียกว่าไบโอพลาสติกนะคะโดยบริษัทเช e วอ l ์กนะคะใช้เปลือกของสัตว์น้า เปลือกแข็งเช่นกุ้งล็อฟเตอร์มาทําพลาสติกชีวภาพเพราะว่าในเปลือกของล็อฟเตอร์เนี่ยมีไบโอโพลิเมอร์ที่เรียกว่าไคตินนะคะโดยวิธีการผลิตเนี่ยขั้นแรกก็จะนําเปลือกล็อฟเตอร์เนี่ยใสยเ่เครื่องปั่นเครื่องปั่นนะคะให้เป็นผงเพื่อสกัดเอาไคตินเจ้าไคตินเนี้ยออกมาแล้วก็เอาผงไค่โตซานไค่โตซานนะคะนำจากนั้นก็นําผงไค่โตซานมาผสมกับน้ําส้มสายชูจนเกิดเป็นสารละลายพลาสติกชีวภาพซึ่งสารละลายตัวนี้เนี่ยจะนําไปผลิต ทำผลิตภัณฑ์ได้3มิติเช่นถุงพลาสติกได้นะคะอามีออฟชาผู้ก่อตั้ง s h e วอล์คสบอกว่าพลาสติกชีวภาพจากเปลือกกุ้งล็อฟเซอร์เนี่ยมีคุณสมบัติพิเศษที่จะสามารถต้านทานเชื้อราแล้วก็เชื้อแบคทีเรียได้ด้วยจึงเป็นวัสดุที่น่าสนใจมากถ้านำมาใช้กับอาหารนะคะแต่คุณสมบัติสำคัญคือสารย่อยสลายเป็นปุ๋ยแล้วไม่ก่อให้เกิดมลพิษด้วย น, ะะนี่คือย่อยสลายด้วยตัวของมันเองก็แค่ตัดมันเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็โยนลงไปเป็นเป็นปุ๋ยได้เลยนะคะแม้นักวิจัยเนี่ยจะคาดหวังว่าไอ้พลาสติกชนิดนี้เนี่ยจะมาทำเป็นช้อนซ่อมแล้วก็ทิ้งได้เลยเนี่ยแต่ตอนนี้กระบวนการในการผลิตมันยัง มันยังอยู่ในกระบวนการที่ราคาค่อนข้างสูงนะคะเพราะมันยังไม่ได้ผลิตเป็นแมสจากข้อมูลขององค์การสหรประชาชาติหรือว่า UN เก็บอกว่าในแต่ละปีเนี่ยชาวโลกใช้ถุงพลาสติกเนี่ยประมาณ500ล้านใบและพลาสติกที่รั่วไหลลงสู่ทะเลประมาณ8ล้านตันค่ะคุณผู้ฟังกำลังคุกคามสัตว์ทะเลเชื่อว่าผู้เชี่ยวชาญนะคะเชื่อว่าภายในปี2050มหาสมุทรจะมีแต่พลาสติกมากกว่าประชากรปลา ฟังดูแล้วน่าเป็นห่วงนะคะแต่เชื่อว่าความพยายามของมนุษย์ที่อยากจ ะ, ะคืนธรรมชาติคืนสิ่งแวดล้อมที่ดีเนี่ยเชื่อว่ามนุษย์จะทำได้แน่นอนเพราะว่าไม่ใช่เรื่องธรรมดาแล้วนะคะมาดูเรื่องสุดท้ายที่หยิบมาฝากกันยังเป็นเรื่องของการพยายามที่จะทำให้เราอยู่กับธรรมชาติได้อย่างดีนะคะอันนี้เป็นงานจากประเทศอังกฤษเหมือนกันนะคะเขาบอกว่าเป็นการนาเศษ หมากฝรั่งเนี่ยมาทําเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่เออน่าสนใจนะหมากฝรั่งที่เราเคียเค้ยวๆคลายๆปาดป้ายไว้ในหลายที่เนี่ยมันเอามาทําเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ได้นะคะเขาบอกว่าในทุกๆปีเนี่ยคนในโลกเนี่ยเสียเงินประมาณหมื่นันล้านปอนด์นะคะหมื่นพันล้านปอนด์หนึ่งปอนด์ก็ตกประมาณเกือบๆหกสิบบาทก็ลองคูณไปดูนะคะซื้อหมากฝรั่งมาเคี้ยวแต่เคี้ยวหมดรสหวานแล้วก็คลายทิ้งเงินเกลือ น, นะคะโดยเฉพาะในต่างประเทศเนี่ย จะเยอะมากนะคะแต่ประเทศไทยนีย่น้อยลงเนาะน้อยลงคิดว่าน้อยลงเพราะว่าเมื่อก่อนอาจจะแปะป้ายเดินไปก็เหยียบอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เราน้อยลงเพราะว่า โครงการโลนดอที่เราเองนั้นจะต้องทิ้งขยะลงถังเนี่ย ม, มันชัดเจนขึ้นแล้วก็สํานึกรับผิดชอบของคนในยุคนี้มากขึ้นนะคะหรือเปล่า <c oughs> อยากให้มันมีมากขึ้นเน่ยนะคะเพราะว่าทิ้งขยะขยะ ก, ก็ต้องลงถังนะคะงานนี้เนี่ยนักออกแบบชาวอังกฤษค่ะแอนนาบัตลัสนะคะได้ความคิดในการรีไซเคิลหมักฝรั่งตั้งแต่เมื่อ10ปีก่อนแล้วก็การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีเนี่ยพบว่าในหมักฝรั่งเนี่ยก็คือกําเบสที่เป็นยางสังเคราะห์ คุณเคียวยางอยู่คุณรู้ไหมคนกินหมากฝรั่งเคี้ยวหมากฝรั่งนะคะซึ่งมันเป็นสารโพลิเมอร์ชนิดหนึ่งที่มันคล้ายกับพลาสติกเนะะี่ยค่ะมันมีชื่อว่าโพลีไอโซบิวทิลีนนะคะเป็นยางชนิดเดียวกับที่เป็นยางไส้ในของล้อจักรยานน่ะคุณที่ชาวบ้านเรียกว่าไส้ไก่นั่นแหละนะคะมันเป็นยางชนิดเดียวกันนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ปิโตเคมีที่ได้จากเชื้อเพลิงฟอสซิลนะคะ แอนนาเนี่ยเธอก็มีความเชื่อว่าไอหมากฝรั่งเนี้ยแม้จะถูกเคี้ยวจนหมดรสหวานไปแล้วเนี่ยแต่วัตถุดิบสําคัญก็คือยางเนี่ยมันน่าจะยังอยู่แอนนาก็เลยทําถังขยะสีชมพูสดใสเอาไวใ้ให้คนทิ้งหมากฝรั่งเรียกว่ากัมดรอปนะคะหรือถังขยะเนี่ยสามารถทิ้งหมากฝรั่งไว้ทําขึ้นจากหมากฝรั่งเหมือนกัน ะะแต่มันเป็นการเป็นการทำขึ้นจากหมักฝรั่งผ่านกรรมวิธีรีไซเคิลแล้วโดยตอนนี้มหาวิทยาลัยวินเชสเตอร์นะคะเป็นสถานที่แรกที่รับถังขยะนี้ไปวางไว้ในมหาวิทยาลัยแล้วก็ที่ที่มีคนอาศัยแล้วก็ทำงานอยู่ราวประมาณ 8,000 คนแล้วก็หวัง ว, ว่าวิธีนี้เนี่ยจะทำให้สถาบันสะอาดจากเศษหมักฝรั่งนะคะมหาวิทยาลัยเนี่ยได้ติดตั้งขยะ11ใบแล้วก็บอกประกาศประชาสัมพันธ์ให้กับคนที่เคี้ยวหมักฝรั่งเนี่ยสามารถนำ หมักฝรั่งที่ตัวเองกินเนี่ยไปทิ้งไว้ที่ขยะรีไซเคิลนี้ได้นะคะโดยมหาวิทยาลัยเนี่ย<ม>ยังแจกแก้วกาแฟถ้วยกาแฟเนี้ยนะคะที่ทําจากเศษหมักฝรั่งเนี่ยให้แก่นักศึกษาซึ่งในช่วงแรกๆนักศึกษาก็จะยังไม่ไม่ค่อยมั่นใจนะคะจะมาดมดูว่าถ้วยกาแฟนั้นจะมีกลิ่นหมักฝรั่งหรือกลิ่นม้นอยู่ไหมก่อนที่จะยอมใช้มันนะคะหลังจากระดมทําอย่างจรงิงจังเพียงหนึ่งปีครึ่งหลังจากนั้นก็เห็นผลค่ะเพราะว่าจำนวนเศษหมักฝรั่งที่เคยถูกทิ้งเกลื่นไปในมหาวิทยาลัยเนี่ย หายไปนะคะขณะที่องค์กรอย่างท่ากัศยานฮิโตรนะคะในอังกฤษเนี่ยได้ทำโครงการนี้อยู่3เดือนแล้วก็พัฒนาจนชัดเจนแล้วก็นำไปใช้มันช่วยประหยัดค่าทำความสะอาดหมักฝรั่งซึ่งมันกำจัดยากไปถึง 6,000 ปอนต่อปีนะคะส่วนบริษัทเกตเว e เ t e ร n r เ i l w ว y นะคะได้ติดตั้งถังขยะสีชมพูเอ้ถังขยะสีชมพูนีคือทาจากหมักฝรั่งที่ถูกคายทิ้งไว้นะคุณผู้ฟังแล้วก็ไปติดตั้ง แล้วก็มีคนเอามาทิ้งนะคะแม้จะติดตั้งขยะไว้ก็จะช่วยแก้ปัญหาเศษหมากฝรั่งให้หมดไปแต่ที่สําคัญคือพฤติกรรมของคนเคี้ยวหมากฝรั่งก็ต้องเปลี่ยนไปด้วยนะคะนี่เป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นนะคะว่าเขาเองนั้นเขาก็มีความคิดในเรื่องของการที่จะใช้ชีวิตอย่างมีวินยัยแล้วก็อยู่ร่วมกันกับสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดีนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของเป็นเรื่องเป็นราวนะคะก็อยากจะฝากเป็นเรื่องเมนดาวไว้ว่าถ้าเกิดคุณผู้ฟัง อยากจะให้เราเป็นช่องทางในการเผยแพร่สื่อสารเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นคนไทยคนเก่งคนไทยคนดีคนไท ย, น, น, ไทยนักคิดนะคะหรือกิจกรรมของกลุ่มที่ก่อให้เกิดประโยชน์การอยู่ร่วมกันอย่างมีสันติสุขนะคะเราขอเป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนกลางในการเป็นช่องทางในการสื่อสารนะคะสามารถที่จะฝากเรื่องราวดีๆหรือ แนะนำเรื่องราวดีๆได้ทางแฟนเพจของ Facebook วิทยุราชมงคลธั ญ, ญบุรีนะคะหรือว่าทางแฟนเพจส่วนตัวของดิฉันนะคะเพจเล่าเป็นเรื่องนะคะฝากทิ้งไว้แล้วก็จะหยิบนำมาเล่าเล่าสู่กันฟังนำมาอ่านให้ฟังนะคะทุกเย็นวันอาทิตย์ช่วงเวลา 18.30 นาินาทีจนถึงเวลา 19.00 นาฬิกานะคะ ช่วงของเป็นเรื่องเป็นราวดิฉันวัชรินทันคันธชารับหน้าที่ตรงนี้นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการเป็นเรื่องเป็นราวได้ทุกวันอาทิตย์เวลา 18,30 นากานาทีทาง FM 89.5 ็มแิเม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 R M U T T Radio.